ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฝึกจิตฝึกใจเราดีโรคกิเลสมันจะลดลงมอนความหิวเราก็จะลดลงม้อนไข่เนี่ยบางทีมาฝึกฝึกพยานยาจะลดกินให้เหลือมือเดียวเนี่ยยังกินเหลือมือเดียวไม่ได้เนี่ยแสดงว่ายัางนะมันยังมีกิเลส ต, ตรงนั้นตรงนี้อยู่ทําให้มันเลยลดยังไม่ลงแล้วคนนั้น่ะต้องไปเจาะไปหากิเลส ต, ตัวนั้นตัวนั้นให้ได้ เพราะตราบใดหาไม่เจอเนี่ยกิเลสคุณไม่สามารถเลิกหิวได้คุณก็ยังหิวอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพอมันถึงเวลามันก็หิวอีกแล้วถึงเวลามันก็หิวอีกและวอ้าวจริงๆแล้วถ้ามันมันคุณควบคุมไม่อยู่คุณบังคับไม่อยู่มันก็ต้องแสวงหาเพื่อที่จะมาดับความหิวหรือหรือพูดง่ายก็ต้องไปหายามารักษาโรคใช่ไหมแล้วยาที่จะรักษาโรคความหิวกส่วนใหญ่เป็นอะ <laughs> เออก็เป็น <g ül üyor> ขนมก็ต้ม อ, อะไรต่ออะไรที่กูจะหามายาที่จะรักษาความผิวเออไม่รู้แหละจะเป็นขนมชั้นขนมเบื้องหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กูก็ต้องหามาดับจนได้อะแล้วยาพวกนี้หาง่ายด้ว ย, วยนะ <c oughs> นน ม, ม, มีตามท้องตลาดทั่วไปริมถนนมีหมดโอ้ยิ่งหาง่ายใหญ่เลยยาพวกนี้แต่ให้รู้ว่าโรคนี่แหละ โรคเนี่ยแหละจริงๆมันมันร้ายกาดมันมันยิ่งกว่าไอ้โรคที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเป็นเอสดเป็นอะไรอีกเป็นอะไรโรคซาโรคหวัดนกโรคอะไรเพราะไอ้โรคพวกนั้นนะ่ะโอ้โหไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายคุณทุกวันทุกคืนหรอกนะหรือว่าถ้ามันไอ้นั่นอย่างเก่งเราก็ตายไป <S <S แต่ไอ้กว่าจะตายนี่ทีโอโห โรคที่เป็นความหิวเนี่ยเบียดเบียนคุณทุกวันพูดง่ายเพราะถ้าใครยังแก้ไม่ได้เนี่ยทุกวันนะคุณโดนเอาถามว่าพระอรหันเนี่ยโดนความหิวเบียดเบียนไหมถามทุกคนโดนแต่พระอรหันไม่มีกิเลสอันนั้นเป็นความหิวที่แบบอะไรธรรมชาติเป็นแบบของร่างกายจริงๆแล้วพระอรหันเนี่ยไม่ต้องกินไม่ต้องกินก็ได้ ตายก็ตายไปท่านก็ไม่ได้กลัวตายอะไรแต่ก็อยู่ก็บอกแล้วก็อยู่ส่วนใหญ่ก็ออยู่ช่วยชาวโลกข้างหลายแหละจริงๆบรรลุธรรมแล้วท่านสบายแล้วไม่ต้องอยู่อีกต่อไปก็ได้ตายไปก็จบแล้วสบายหมายถึงว่าทิ้งทิ้งร่างกายทิ้ ง, ง, งขันแล้วก็สบายแล้วแต่นี่ไออยู่ต่อ น, นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เพ่อท่านถึงพูดบ่อยอะ ว่าเอาอยู่เพื่อคนอื่นเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนเล่นเล่นนะฟังแล้วมันเหมือนเล่นเล่นแต่จริงมันจริงๆนะเพราะว่าอยู่เนี่ยมันมันทุกข์กว่ามันลําบากกว่าแค่พยายามมาสอนคนเนี่ยก็ถึงบอกขนาดพระ พ, พุทธเจ้านะไม่ใช่อรหันธรรมดาพุทธเจ้าเนี่ยตัดสลูแล้วยังไม่อยากจะสอนคนเลยคิดดูโอ้โหมันเหนื่อยยากมันลําบากคุณดูนั่นนั่นสภ า, าวะพระพุทธเจ้านะยังเกิดสภาวะจิตอย่างยิ่งขึ้นเลย แล้อรหันธรรมดาเนี่ยถอยยิงมาอยากลําบากใหญ่เลยที่จริงแล้วใช่ไหมล่ะมันถึงบอกว่าพระอรหันเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่ละวันเพื่อคนอื่นจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยถ้าคุณเข้าใจได้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลยยิ่งๆเนี่ยประวัติก็มีใช่ไหมนายพระไตาบิดดกก็มีระดับอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่คิดจะสอนคนเลยเพราะมันลําบากจริงๆ ท่านแบบนี้ท่านสาเร็จแล้วท่านก็สบายของท่านดับขันไปเลยอะไรไปเลยก็จบกันสบายแล้วสิอย่างเงี้ยไม่ต้องมามีตัวตนไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยอะไรอีกเนี่ยถ้าไม่มีมหาการุณาที่คุณแล้วโหไม่อยู่ต่อหรอกอ่าจริงๆก็ละอะไรอีกอีกเหตุหนึ่ง พุทธเจ้าพยายามแสดงนิมิตต่างๆให้พระอานนุ์เพื่อที่พระอา น, นุ์จะได้ขอให้ใช้อิธิบาทแล้วก็มีอายุอยู่ต่อไปอุตส่าห์พยายามพูดง่ายๆว่าบอกใบ้ให้หวยพระอานนุ์แล้วพระอ น, นุนแทงหวยไม่เก่งแทงไม่ถูกเลยโอ้เลยปรากฏว่าไม่รู้ เพราะให้เห็นนะตรงนี้ให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยถึงบอกแล้วว่าอยู่ต่อเนี่ยมันลําบากกายขันท่านแล้วจริงๆเนี่ยคือแปดสิบพรรษาเนี่ยท่านก็จบได้แล้วแต่ยังอุตส่าห์ทํำนิมิตต่างๆเพื่อเพื่อให้พระอานนท์รู้คือจะอยู่ต่อไปเป็นร้อยก็ได้อายุแต่โดยกายขันเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้โหมันสุกงอมไปหมดแล้วนะเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนลอกเวียนเหมือนอะไรที่คําค่าอะไรต่ออะไรเนี่ย ทั้งดุมทั้งอะไรซี่ล้อนี่มันก็แตกมันก็หักมันก็ชำรุดแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นนะขณะดูซิพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยถึงขนาดอย่างนั้นนะยังทํานิมิตให้พระอานนท์แต่พระอานนท์ไม่รู้อีกในที่สุดก็เลยไม่ได้นิบบนให้อยู่ต่ออยู่ต่อไปท่านก็ต้องลำบากต่อนะกายขันต่างๆก็ต้องลำบากต่อเพราะว่าอันนี้บังคับไม่ได้กายขันนี่ แม้พอจะอยู่ต่อวัาททำให้สดใหม่ผ่ า, าตัดเปลี่ยนกระดูกใหม่หรืออะไรต่ออะไรมันไม่ได้เออมันทำไม่ได้มันก็เสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วแต่ดูจิตสิเห็นไหมว่าโอ้โหวความการุณานี่ยังยังยังยั ง, ย, ง, ย, งยังจะช่วยในที่สุดแต่โดยจิตจริงๆเห็นไหมพราะนั้นพอพระ อ, อนุยไม่รู้ท่านก็จบเลยเพราะบอกแล้วสบายท่านอยู่แล้ว ไอ้จบเนี่ยสบายอยู่แล้วไม่ต้องมาทรมานทรกกรรมทั้งกินอยู่รับนอนทั้งอะไรไม่ต้องมันหน็ดเหนื่อยอะไรกแล้วนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ถึงบอกโอ้โหไอ้เรื่องความหิวเนี่ยมันแต่นี้ถ้าใครฝึกมาดีแล้วจิตเราเนี่ยฝึกมาดีใช่ไหมพูะเจ้าเนี่ยจริงๆพระสูตรอื่นก็มีอีกที่ท่านท่านพูดถึงโรคเนี่ยท่านท่านพูดถึงโรคของคนเราเนี่ย ท, ที่ใช้คำว่าอะไรนะเนี่ยอ ะ, อะไรนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอ่ะ อ, อโอะอโอะอโรคยาปรมาราพาใช่ความไม่มีโรคเป็นลาบรำเสดเนี่ยโรคจริงๆเนี่ยท่านหมายถึงกิเลสเลยว่าความไม่มีกิเลสนี่แหละนะเป็นเป็นลาบอันระเสฐแล้วจริงๆอ่ะมันมีอีกแถวหนึ่งต่อไงที่จริงท่านท่านเฉลยเอาไว้ นะว่าว่าอะไรนะความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งใช่ไหมแล้วก็นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจริงๆแล้วมันมีต่อมาให้อีกบรรทัดหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ว่าที่ท่านบอกเนี่ยว่าราบไ อ, อ้โรคโรคที่ที่เป็นราบอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงนิพพานคือคือความกิเลสให้หมดไปได้เนี่ยนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ปรากฏว่า คนโลกๆ ก, ก็ไปเอาแค่บรรทัดนั้นแหละแค่ความไม่มีโรคเป็นลาบอันเร์เซร์ดเอาแต่บรรทัดนั้นนะ่ะไอ้ควาว่าที่พานไปสูกอย่างยิ่งไม่เอาเลยหายไปเลยเพราะฉนั้นก็เลยเข้าใจผิดหมดเลยแล้วในพระสูตนี้ท่านก็นยืนยันด้วยว่าเราไม่ได้หมายอย่างนั้นนะพระสูตรนี้ยืนยันไว้เลยว่าไม่ได้หมายอย่างนั้นแต่หมายความว่านี่แหละว่าต้องเอากิเลสออกเพราะนั้นลาบของพระเจ้าหมายถึงอันนี้ เพราะนี้นเน่ยในที่นี้ท่านบอกว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้คราวนี้ดูนะตัวสำคัญความหิวที่เป็นความหิวแบบกิเลสบอกแล้วไม่ใช่ความหิวแบบธรรมชาติเมื่อกี้ถึงถามว่าต่อให้เป็นพระเจ้าด้วยหิวไหมหิวได้เหมือนกันละถ้าล้องไม่มีอะไรฉันเนี่ยก็ตอนท่านทรมาน สังขารร่างกายบำเพ็ญทุกระกิยาหิวไหมล่ะก็หิวที่มีเหลือจะไม่หิวเออพร้อมก็ลองก่องเลยตอนนั้นอ่ะหิวที่โอโหจะตายเอาเลยด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะหิวอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้หมายนะพราเนี่ยหิวเนี่ยความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่ยหิวตัวนี้คือกิเลสเลยบอกให้รู้ได้เลยเพราะั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยคราวนี้คราวนี้ย้อนกลับมา นักปฏิบัติธรรมที่ยังหิวบ่อยเอาง่ายๆมาเอาแค่เรื่องมื้อนี่แหละกินมื้อเดียวแล้วยังหิวบ่อยๆเนี่ยจะพูดย้อนกลับให้ฟังอุตส่าหพพ์พย า, ยา ม, มาอยู่วัดใช่ไหมมาฝึกกินมื้อเดียวแต่ยังหิวบ่อยๆหิวบ่อยๆให้คุณรู้เลยคุณไปตรวจ ด, ดูมันมีกิเลสอะไรกันนะกนะันหนาใช่ไหมไปห่วงห่วงกงังวลนี่ก็กิเลสนะ ไปทุกเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปปรุงไอ้นั่นไอ้นี่ไปฟุ้งซ่านอยากได้ไอ้นั่นไอ้นี่หรือไปเครียดไปอะไรนั่นแหละกิเลสทั้งนั้นแหละมันถึงได้หิวไงเออโดยเฉพาะยิ่งตกเย็นๆอย่างเงี้ยยิ่งตกเวลาเย็นโอ้โหยิ่งใครยิ่งเลิกมาไม่นานเลยนะสัญญาเก่ายังอยู่ใช่ไหมโอ้โหตกเย็นเพราะว่ามื้อเย็นเป็นมื้อที่อร่อยที่สุด ในโลกอ่าในโลกเลยเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นแล้วโอโ้โหตกเย็นเนี่ยแหละทรมานที่สุดเลยเป็นหิวอย่างยิ่งใช่มเป็นหิวอย่างยิ่งเลยเพราะงันคนที่เนี่ยเีย จ, จะฝึกลดมื้อได้เลิกการจูบกิบได้ประเด็นสำคัญจริงไปดูไปปรุงไปสังขารอะไรมันนักกันหนาเดี๋ยวอยากได้อัโน้เดี๋ยวอยากได้ไนี่ เดี๋ยวจะกินไนโนเดี๋ยวจะกินในนี่พอเวลาไม่ใช่ในมือเนี่ยไม่ใช่ในมือก็เอาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะกินไนโน่นนะเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้เมนูมาเลยใช่เลยรายการมาเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อเต้าหู้เครื่องนแล้วก็มาเตรียมไว้บางทีก็ซื้อกับข้าวเตรียมไว้เลยนะ เดี us, mm ๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้นีมาทําเดี๋ยวเอานี่มาทำเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กินกินมื้อเดียวนะต่อให้กินมื้อเดียวนะแต่เตรียมมาตั้งแต่วันนี้แล้วไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยเนี่ยเสียพลังแล้วนะนี่แหละเดี๋ยวก็ทําให้หิวเพราะกินเลรมันทําให้หิวกินเลรมันต้องปรุงไงคือถ้าถ้าเราทำมาวิจัยเนี่ยนะถ้าคุณพิจารณาทำเนี่ยทำมาวิจัยคุณก็ปรุงเหมือนกันคุณก็สังขารเหมือนกันแต่ปรุงสังขารแบบเนี้ย ไม่เสียพลังกับมีพลังด้วยเพราะมันจะมีพลังของความปิติของความยินดีของความพอใจของความเบิกบานในธรรมเนี่ยทำให้มีปิติวัญพูะเจ้าเนี่ยที่บรรลุธรรมแล้วเสเวย ว, ว, วิมุติสุขอะเห็นไหมโอ้โหบรรลุธรรมได้โอ้โหเสเวย ว, ว, วิมุติสุขไม่ต้องกินอาหารมันเลยไม่ต้องฉันเลยอะเห็นไหมถ้าใครมีปิติในธรรมเนี่ยนะคุณ เขาเรียกว่าอะไรอิ่มทิพย์อิ่มทิพย์เขามีปิติเป็นพักสาหารนไงผู้เจ้าท่านใช้คำว่าปิติเป็นพักสาหารอัตามาก็พูดอย่างเนี้ยซ้ำมาบ่อยแล้วเหมือนกันพวกเราจะได้ยินบ่อยแต่พยายามพูดให้พวกคุณเห็นสภาวะให้ได้ถ้าคุณเห็นเป็นสภาวะได้เมื่อไหร่เนี่ยรับรองความหิวคุณจะหายปั๊บทันทีเลยเลิกหิวเลยจรจริง เลิกหิวเลยเพราะว่าไอ้ที่คุณกินตุนเอาไว้เนี่ยมันพออยู่แล้วอาหารยังมีอยู่เลยกระเพาะแต่ที่หิวตอนเนี้ยมันหิวเพราะเพราะความคิดนี่แหละเพราะสังขารมันก็เลยเป็นทางจิตนี่แหละมันก็เลยไปปรุงแล้วมันก็เลยหิวยิ่งสัญญาบอกแล้วไอ้สัญญาโอ้เวลานั้นเวลานี้ยิ่งนะพอพอไอ้อะไรนะทงชาติตอนหกโมงเย็นอ่าโอ้สมัยก่อนนะ พอตอนเคารพธนชาติเฮ้เคารคารพวัฏสงชาติตอนหกโมงเย็นมีปะมีเหมือนกันใช่ไหมชักธงลงสู่เสาใช่ไหอจากเสาอ่ะนะอ่ามันมันสัญญาเก่าขึ้นเลยนะโอ้โหเวลาเนี้ยแหมพอดีเลยโอ้โหกําลังนั่งโจ้กันอะไรต่ออะไรเอาแล้วพอปุงมาอย่างงี้เอาแล้วโอ้โหทาวนี้แหละน้ําย่อยมาเลยเนะีท้องจอกแล้วก็กกันเลยนะเนี่ยยิ่หงหิวใหญ่เลยบางทีพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางคนปุงไปเลยนะ บางคนปรงปุงไปแล้วนะพอปรุงไปปับ๊บทันทีเลยเริ่มจะหิวเลย <c oughs> อ๋อไม่ใช่แค่หกโมงเย็นนะเที่ยงคืนยังลุกขึ้นมาได้เลย <c oughs> แต่บางทีเนี่ยไปเที่ยงคืนเนี่ยมันแบบว่ามันก็ปรุงไปเรื่อยไงแหะมันก็คิดไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฝากไว้ให้กับพวกเราเราจะได้รู้ว่าไอ้คําว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้แล้วเราจะแก้ตรงเนี้ยจะแก้จุดนี้ได้ยังไงก็แก้โดยที่นั่นแหละ หัดหัดลดกิเลสเราให้ได้ใครลดได้แล้วหายหิวถึงมือเดียวก็หายหิวแล้ว ม, มีความสุขจริงๆเพราะมันมีปิติเป็นพักษาหาร อ, อาเสร็จแล้วบัณฑิต ร, รู้ความจริงอย่างนี้แล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเห็นไหมดูนะบอกมาทุกข้อเลยนะบอกมาทั้งหมดเนี่ยอ่านให้คุณฟังใหม่ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี โทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตรู้ความจริงอย่างนี้แล้วย่อมทําให้แจ้งซึ่งนิพพานดูที่พูดทั้งหมดนะี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะพูดไปถึงนิพพานเลยใช่ไหม ภาษาคําพูดเนี่ยแต่เห็นมาจริงๆแล้วท่านหมายถึงอะไรน่ยจะพูดเรื่องไฟเสมอด้วยราคะอะไรเนี่ยนะจะพูดเรื่องเรื่องโทษของโทสะพูดเรื่องทุกข์ของเบญจขันพูดเรื่องสุขของความสงบพูดเรื่องความหิวเป็นโลกเนี่ยสังขารเป็นทุกข์สรุปทั้งหมดนั่นบัณฑิตดูความจริงอย่างนี้แล้วย่อมทําให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ท่านสรุปลงตรงนี้เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้างบนนะั้นท่านบอกว่าสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีใช่ไหมแต่สรุปสุดท้ายนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นอาตมาก็เมื่กี้เทียบให้ฟังแล้วว่าสุขที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะความสงบนั้นก็คือนิพพานคำว่าสงบนั้นเน่เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไงเสร็จแล้วก็ สุกยิ่งกว่าความสงบไม่มีไงวันความสงบก็คือนิพพานเทียบทันแล้วบัดเนี้ยเทียบให้ทันนะเสร็จแล้วดูอีกอันหนึ่งที่เราท่องเราสวดอยู่เป็นประจำเลยพวกคุณลองอพวกคุณลองฟังสำนวนในพระไตรปิฎกดูนะที่ที่สวมนาท่านปัจเจเวกอะ่ะตอนก่อนฉันเน่ แต่คุณได้ยินแต่ที่ที่สมณพิจารณาอาหารนะก่อนฉันแต่ลองฟังสำนวนในพระไตรปิฎกดูอยู่ในเล่มที่13บสาเสขะปฏิปทาสูตรข้อที่ยี่สบเกฟังดันนอ่านให้ฟังอริยสาวกได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในการกินคือ พิจารณาโดยแยบคายแล้วกืนกินอาหารจําจําได้ไหมท่านตอนต้นท่านจะพูดว่าอะไรปฏิสังขาโยนิโสปินทประตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทนะแต่แต่ในนี้ไม่ใช่ใช้อย่างนั้นปตัตตบิดกนี่ใช้ว่าเนี่ยพิจารณาโดยแยบคายแล้วกืนกินอาหารคําว่าพิจารณาโดยแยบคายคือ โยนิโสมนัสิการนะแล้วก็แยบคายยังไงไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อความผ่องใสอไม่ใช่เพื่อความงดงามแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อบาบัดความหิวอาหารเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยคิดว่าจะกำจัดเวทนาเก่าด้วยจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วยเพื่อความเป็นไปแห่งอิริยาบถเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโทษเพื่อความเป็นอยู่ผาสุขจะมีแก่เรา <c oughs> นี่เป็นสำนวนอย่งางวัดไต่บิดกแต่ที่เราฟังนี่เราก็อาจจะอะไรอ่ะแต่งๆอะไรบ้างให้มันดูไพเราะกว่านี้ แต่เวลาจะมาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยอันมาบางทีชอบนะสำนวนในพระไตรปิฎกนอกอยากบางอันเนี่ย <c oughs> ที่อ่านแล้วงงๆกันนะเพรานั้นบางอันมันก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องเขียนใหม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยสำนวนเนี่ยเราอาจจะได้ยินบ่อยคนทดน้ําย่อมชักน้ําไปได้ฉันใดช่างสอนย่อมดัดลูกศรได้ฉันใด ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบันดิตย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นถ้าอ่านให้เข้าใจง่ายนะต้องอ่านแบบนี้คนทดน้ำย่อม ช, ชักน้ำไปได้ฉันใดบันดิตย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นคือต้องอ่านทีทละคู่ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ฉันใดบันดิต ย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นอ่ามันจะอาเป็นกู้ๆจะเข้าใจง่ายช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดมันดิตย่อมทรมานตนได้ฉันนั้น <c oughs> จริงๆก็เป็นการเปรียบเทียบนะที่ท่านเปรียบเอาไว้อ้าวันนี้ก็เอาทนทีแล้วนะ